ในตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญใส่บาทเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพื่อผ่อนคลายความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจที่เกิดจากเหตุการณ์ต่างๆที่เราเศร้าโศกเสียใจก็เพราะว่า เราไม่มีปัญญากันเราถูกความหลงครอบงำจิตใจทำให้เราเห็นผิดเป็นชอบเห็นกองจากเป็นดอกบัวเห็นสิ่งที่ทุกข์ว่าเป็นสุขเราก็เลยมักจะเดินเข้าหาความทุกข์กันเพราะคิดว่าสิ่งนั้นเป็นความสุข แต่กลับกลายเป็นความทุกข์เหมือนกับคนที่ถูกหลอกเวลาที่เขาเอาของมาขายให้เราเขามักจะหลอกเราว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่พอซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ดีอย่างที่เขาบอกเราก็มาเสียใจที่ถูกหลอกแต่คนที่หลอกเราข้างนอก นี่ยังไม่เลวร้ายเท่ากับคนที่หลอกเราข้างใ น, นคือตัวเราเองหลอกตัวเราเองด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาไม่รู้ความจริงของสิ่งต่างๆที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยไปได้มาครอบครองเป็นของของเรา แล้วเราก็ถูกความหลงหลอกว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างดีมันจะไม่เสียมันจะไม่หมดมันจะไม่จากเราไปแต่พอสิ่งที่เราได้มามันเสียมันจากเราไปเราก็เศร้าโศกเสียใจกันเ <c oughs> พราะเราโง่เราไม่สร้างปัญญาความรู้ความฉลาดขึ้นมา มาสอนใจมาเตือนใจไม่ให้ความหลงความโง่มันมาคอยหลอกเราให้ไปเห็นผิดเป็นชอบให้ไปเห็นทุกว่าเป็นสุขให้เห็นในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงให้ไปเห็นว่าสิ่งที่ไม่ใช่ของเราเป็นของเราพอสิ่งที่ไม่เที่ยงมันมันสูญไปมันดับไปเราก็เสียใจทุกใจ พอสิ่งที่เราคิดว่าเป็นของเราพอมันกลายเป็นของคนอื่นไปเราก็เสีย อ, อกเสียใจนี่คือสิ่งที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้จิตใจของเราขาดปัญญาขาดความรู้ความฉลาดที่จะสอนให้เรารู้ว่าทุกเป็นทุกขสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่เที่ยง สิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราไม่ได้เป็นของเราตอนนี้เราถูกความหลงหลอกเราอยู่ตลอดเวลาเวลาเราได้อะไรมามันจะบอกว่าเที่ยมมันจะบอกว่าสุขมันจะบอกว่าเป็นของเราแต่พอเวลาผ่านไปเวลาที่มันไม่เที่ยมเราก็เสีย อ, อกเสียใจเวลาที่มันไม่ได้เป็นของเราเราก็ร้องหยร้องไห้กัน พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราฟังเทศฟังธรรมกันเพราะการฟังเทศฟังธรรมฟังคำสอนของพระพระทุทธเจ้าเราจะได้ความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบเพื่อที่จะมาแก้ความหลงที่คอยหลอกให้เราเห็นผิดเป็นชอบเห็นลกงจักเป็นดอกบัวกัน การฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมจะทำให้เรารู้ว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มีสามลักษณะด้วยกันที่เรียกว่าไตรลักษณ์ไตรแปลว่าสาลักษก็คือลักษณะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ล้วนเป็นไตรลักษณ์คือมีคุณสมบัติสามประการคือหนึ่งไม่เที่ยงไม่ถาวรสอง ทำให้เราทุกเวลาที่เขาจากาไปสมไม่ใช่สมบัติของเราอย่างแท้จริงถ้าเราไปยึดไปติดกับสิ่งที่ไม่เที่ยงให้มันเที่ยงไปยึดติดกับสิ่งที่ไม่ใช่ของเราให้เป็นของเราเราก็เลยต้องมาทุกข์กันมาร้องโผมร้องไห้กันพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราหมั่นจเจริญปัญญา สอนใจเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราถ้าเราไปยึดไปติดเวลาที่เขาจากเราไปเราจะทุกข์มากให้คอยสอนใจอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วใจของเราจะได้ไม่หลงไปยึดไปติดไม่หลงไปอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงมันเที่ยง ไม่หลงไปอยากให้สิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราเป็นของเราพอเราไม่มีความหลงไม่มีความอยากความทุกข์ก็จะไม่มีความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราที่ไปอยากให้ของที่ไม่เที่ยมมันเที่ยมที่ไปอยากให้ของที่ไม่ใช่เป็นของเราเป็นของเราความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราเอง ถ้าเราไม่มีความอยากให้ของที่ไม่เที่ยงมันเที่ยงเวลามันไม่เที่ยงเราจะเฉยเฉยเพราะเราไม่ไปอยากให้มันเที่ยงเพราะเรารู้ว่ามันไม่เที่ยงรู้ว่ามันจะต้องดับเช่นเวลาเราดับไฟนี่เราไม่ทุกข์เพราะเราอยากให้มันดับเพราะเรารู้มันต้องดับแต่ถ้าเราไม่อยากให้ไฟมันดับเวลามันดับเราทุกข์ขึ้นมาเช่นเวลากาลังทาอะไรอยู่ ไฟดับขึ้นมานีใจเราทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะเราไม่อยากให้มันดับไม่ใช่เพราะว่ามันดับมันดับไม่ได้ทำให้เราทุกข์ที่มันทุกข์เพราะว่าเราอยากให้มันไม่ดับเพราะเราไปคิดว่ามันจะไม่ดับแต่มันก็เป็นของที่เราไปสั่งมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นของเราหลงไฟฟ้าเขาอยากจะดับเขาก็ดับเขาอยากจะปิดเครื่องเขาก็ปิดเครื่อง เราไปสั่งเขาไม่ให้ปิดไม่ได้พอลงไฟฟ้าไม่ใช่เป็นของเราไฟฟ้าที่เราใช้ก็ไม่ใช่เป็นของเราเราเพียงแต่ซื้อเขามาเท่านั้นเองซื้อมาใช้ไปหมดไปนี่คือความทุกข์เพราะเราไปเผลอคิดว่ามันจะเที่ยมมันจะมีอยู่ตลอดเวลามันจะเป็นของเราตลอดเวลาพอเวลามันหายไปมันเป็นของคนอื่นไป เช่นรถที่เราขับขโมยมาขโมยไปขโมยเอาไปขายที่เข ม, ขมรขโมยได้เงินคนเขมรได้รถของเรารถที่เรียกว่าเป็นของเรากลายเป็นรถของคนเขมรไปมันไม่ได้เป็นของเราแล้วแต่ใจของเรายัางไม่ยอมรับความจริงยังไม่ยอมรับว่ามันไม่ได้เป็นของเราแล้วใจยังอยากจะให้มันกลับมาเป็นของเราความอยากให้มันกลับมาเป็นของเรา มันก็เลยทำให้เราทุกข์ใจแต่ถ้าเรารู้ไว้ล่วงหน้าว่าจะต้องมีคนมาขโมยไปมีคนเอาไปขายมันจะไม่เป็นของเราถ้าเรารู้ล่วงหน้าเตรียมตัวเตรียมใจเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมันจะไม่ทุกข์เหมือนกับเรารู้ว่าผ้าที่จะต้องตกเวลาผ้าที่ตกเราไม่ทุกข์เพราะเรารู้ว่ามันจะต้องตก หรือเวลาฝนตกเราก็รู้ว่ามันจะต้องตกเราก็ไม่ทุกข์กับฝนแต่ถ้าเราไปจัดงานเลี้ยงข้างนอกแล้วเราไม่อยากให้ฝนตกพอฝนมันตกเราก็จะทุกข์ขึ้นมาเพราะเราไม่อยากให้มันตกแล้วไม่ยอมให้มันตกแต่เราก็ไปสั่งมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้นี่คือลักษณะของทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามา ครอบครองมาเกี่ยวข้องด้วยเราเอาความหลงมาครอบครองเอาความง่มาครอบครองมาเอาความอยากมาครอบครองมันก็เลยทำให้เราวุ่นวายใจไม่สบายใจเพราะว่ามันจะไม่เป็นไปตามความอยากของเราความอยากของเรามันสวนทางกับความจริงของสิ่งต่าง ความอ er, ยากของเราอยากให้ 40. สิ่งที่เราได้มาเที่ยมอยากให้เขาอยู่กับเราเป็นของเราไปเสมออยากให้เขาทําตามที่เราสั่งอยากให้เข า, าดีไปตลอดอันนี้เกิดจากความขาดปัญญาหรือความโง่นั่นเองถ้าเรามาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อย เราจะได้ยินคำว่าไตรลักษณ์ไตรลักษณ์คืออนิจจังไม่เที่ยงทุกขังมันจะทำให้เราทุกข์เวลาที่มันไม่เที่ยงอนัตตามันไม่ใช่ของเราเวลามันกลายเป็นของคนอื่นไปมันจะทำให้เราทุกข์กันแต่เราจะสามารถสอนใจให้ไม่ทุกข์กับมันได้ถ้าเรารู้ื่วงหน้าว่ามันไม่เที่ยง รู้ว่าสิ่งที่เราได้มาสักวันหนึ่งมันจะต้องไปหรือมันจะต้องดับมันจะต้องตายรู้ว่ามันจะต้องกลายเป็นของคนอื่นไปถ้าเรารู้ล่วงหน้าเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเราก็จะไม่อยากจะไม่ได้มีความอยากให้มันเป็นของเราจะไม่มีความอยากให้มันเที่ยมพอไม่มีความอยากมันก็จะไม่ทุก นี่คือสิ่งที่พวกเราต้องมาฝึกหัดสอนใจกันเบื้องต้นก็มาเรียนรู้ก่อนว่าเราจะต้องสอนใจอย่างไรเราจะต้องหัดทําใจกันอย่างไรเพื่อที่จะทําให้ใจของเราไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆหรือคือเราต้องมาฟังธรรมที่พระเจ้าทรงสอนว่าสเปสังขาราอนิจจา ของต่างๆที่เกิดจากการปรุงแต่งของดินน้ําลมไฟคือสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นอนิจจังเป็นของชั่วคราวเป็นของถาวรไม่ใช่ของถาวรเป็นอนัตตาไม่ใช่สมบัติของเราเราไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับให้เขาเป็นของเราไปได้ตลอดต้องมีวันใดวันหนึ่งที่เขาจะต้อง เป็นของคนอื่นไปให้เราคิดอย่างนี้กับสิ่งต่างๆสิ่งที่เราต้องคิดมีอะไรบ้างก็คือหนึ่งลาบสองยศสาสรรเสริญสความสุขที่เราได้จากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะนี่สิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงมีลาบได้ก็มีเสียลาบได้ได้เงินมา ก็หมดได้จะหมดด้วยวิธีไหนก็หมดได้เหมือนกันก็เป็นการหมดเพียงแต่ว่าหมดแบบที่เรายินดีเราก็ไม่ทุกข์เช่นเราได้เงินมาแล้ว เ, เอาเงินไปซื้อของไปเที่ยวไปกินไปทำอะไรกันเงินหมดเราไม่ทุกข์กันเพราะว่าเราพอใจที่จะให้มันหมดแต่เราก็ทุกข์เพราะว่า พอเงินหมดแล้วเราก็จะไม่มีเงินใช้พอไม่มีเงินใช้เราก็เดือดร้อนเราก็ต้องไปหาเงินมาใช้กันใหม่นี่คือความทุกข์ที่เราจะได้จากการมีเงินเพราะเงินมันไม่แน่นอนมันไม่ได้มาเสมอมันอาจจะไปแล้วไม่กลับมาถ้ามันไปแล้วมาไปแล้วมาอยู่เรื่อย เราก็ไม่เดือดร้อนเช่นเรามีรายได้เรามีงานทำเราหาเงินหาทองได้พอเราได้เงินทองมาเราก็เอาไปใช้มันก็หมดไปแต่เราไม่เดือดร้อนเพราะเดี๋ยวเดือนต่อไปเงินเดือนออกเราก็มีเงินมาใหม่แต่ถ้าเกิดเราตกงานขึ้นมาบริษัทเขาล้มละลายต้องเปลียกิจการเราไม่มีงานทำแล้วเราจะทำอย่างไร เวลางเงินหมดแล้วเราไม่สามารถหาเงินใหม่มาใช้เราก็จะมีแต่ความทุกข์ใจนี่คือความไม่แน่นอนของลาบคือเงินทองความไมนน่นอนของสิ่งที่สองก็คือยศตำแหน่งต่างๆตำแหน่งท้านะต่างๆที่เขาตั้งเราขึ้นมาตั้งให้เราถ้าเราเป็นข้าราชการก็เป็นซีง C ีหนึ่งซ ส, สองว่ากันไปมีตำแหน่งเป็นหัวหน้ากรมหัวหน้ากองเป็นรองเป็นใหญ่เป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรเหล่านี้เรียกว่ายศของพวกนี้ก็เป็นของไม่แน่นอนมีขึ้นก็มีลงได้มีได้ตั้งได้ก็ปวดได้เวลาทำผิดเขาก็ปวดเราหรือเวลาทำให้เขาไม่พอใจเขาก็ปวดเราได้ นี่คือสิ่งที่สองเราต้องเรียนรู้ว่ามันไม่แน่นอนอย่าไปยึดอย่าไปติดให้คิดว่าไม่มีสิ่งเหล่านี้เราก็อยู่ได้เวลาเราเกิดมาเราก็ไม่มียศดติดตัวมาเวลาเราเกิดมาก็ไม่มีเงินทองติดตัวมาเราก็อยู่ของเราได้เราก็หาของเราไปของเราไปใช้ของเราไป ถ้าหาไม่ได้ก็อย่างมากก็อดตายยังไงก็ต้องตายอยู่ดีถ้าเรายอมตายแล้วรับรองได้ว่าปัญหาต่างๆนี้จะไม่มีที่มีปัญหากันก็เพราะว่าไม่ยอมตายกันอยากอยู่แล้วอยากอยู่แบบมีลาบยศสรรเสริญอยากอยู่แบบมีความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายมันเลยทำให้เราวุ่นวายกันทุกข์กัน ต้องดิ้นหาลาบยศสรรเสริญดิ่นหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายแต่หามาได้มากน้อยเพียงไรมันก็จะหายไปหมดไปอยู่เรื่อยๆทําให้เราต้องดิ้นบนหาอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปในอนาคตพอร่างกายเราแก่ลงไปร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะไม่มีกำลังที่จะหามันได้ เวลานั้นเราก็จะอยู่กับความทุกข์ก็เป็นเพราะว่าเราไปหลงไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราเราคิดว่ามีลาบแล้วจะมีความสุขคิดว่ามียศแล้วจะมีอำนาจมีความสุขคิดว่าเวลาคนสรรเสริญเราแล้วเราจะมีความสุขคิดว่าเวลาเราได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราจะมีความสุข แต่เราไม่คิดว่าวันที่เราไม่ได้มีเราจะทำอย่างไรวันที่เราไม่มีราบไม่มียศไม่มีสรรเสริญไม่มีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราจะรู้สึกอย่างไรเราไม่คิดกันเพราะเราคิดว่าเราจะมีไปเรื่อยๆอันนี้คือความหลงความหลงที่ไปเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นว่าสิ่งที่จะหมดว่าจะต้องมี ไปเรื่อยๆเห็นว่าสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราจะเป็นของเราไปเรื่อยๆเราก็เลยต้องมาเจอวันเศร้าโศกเสียใจกันเวลาสิ่งที่เราคิดว่าเที่ยงเขาไม่เที่ยงไปแล้วเวลาสิ่งที่เป็นของเราเขาไม่ได้เป็นของเราไปแล้วเพราะเรายังอยากให้เที่ยงยังอยากให้เขาเป็นของเราอยู่แต่ถ้าเรารู้เรื่องหน้าว่าเขาจะต้อง ไม่เที่ยงเขาจะต้องไม่เป็นของเราเราก็มาหัดทาใจอย่าไปอยากให้เขาเที่ยงอย่าไปอยากให้เขาเป็นของเราพอเวลาเขาไม่เที่ยงเราก็จะไม่ทุกเวลาเขาไม่เป็นของเราเราก็จะไม่ทุกการที่จะทำให้เราไม่ไม่ทุกได้เราต้องคอยสอนใจเราอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่เรามาเกี่ยวข้องกับลาบยศสรรเสริญ เกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสเราต้องบอกว่าไม่ไมเที่ยงนะวันนี้อาจจะมีพรุ่งนี้อาจจะไม่มีก็ได้แล้วถ้าไม่มีเราอยู่ได้ไหมถ้าเราอยู่ไม่ได้เราต้องมาหัดอยู่แบบไม่มีบ้างเช่นคนที่เขาไปอยู่วัดไปถือศีลแปดเขาไปหัดอยู่แบบไม่มีลาบไม่มียศไม่มีสรรเสริญไม่มีความสุขทางตาหูจมูกริมกาย ด้วยการสร้างความสุขอีกรูปแบบหนึ่งขึ้นมาที่ไม่ที่จะเป็นความสุขที่เทีย่ยงที่จะเป็นความสุขของเราไปตลอดก็คือความสุขจากการมาปฏิบัติธรรมมาทำใจให้สงบกันถ้าเราทำใจให้สงบได้เราจะมีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากลาบยศสรรเสริญจากสิ่งต่างๆ แล้วมันจะไม่จากเราไปเหมือนกับลาบยศสรรเสริญและสิ่งต่างๆที่จะต้องจากเราไปนี่คือวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาดับความเศร้าโศกเสียใจดับความทุกข์ใจกันด้วยการหัดอยู่แบบไม่มีลาบยศสรรเสริญหัดแบบไม่มีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เหมือนกับพระแม่ชีผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเขาอยู่กันเขาไม่ได้อยู่ด้วยลาบยศสรรเสริญไม่ได้อยู่ด้วยความสุขทางตาหูจมูกรินกายเหมือนพวกเราพวกเราตอนนี้ต้องมีสิ่งให้ดูมีสิ่งให้ฟังมีสิ่งให้ดมให้ลิ้มรสให้สัมผัสเราจึงมีความสุขกันแต่พอเวลาที่เราไม่มีสิ่งต่างๆมาให้เรา เสพมาให้เราสัมผัสเวลานั้นเราก็รู้สึกเศร้าส้อยงอยเหงาว้าเหวเดียวดายจนอาจจะคิดอยากจะฆ่าตัวตายเพราะสิ่งต่างๆที่เราเคยมีมันไม่มีเสียแล้วนั่นเองแต่ถ้าเรามาฝึกอยู่แบบไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เวลาเราไม่มีเราจะไม่ทุกข์เราจะไม่เดือดร้อนเราจะนั่งเฉยๆนั่งหลับตา ทำใจให้สงบใจสงบแล้วใจมีความสุขไม่เดือดร้อนกับการไม่มีอะไรแม้แต่การไม่มีร่างกายก็จะไม่เดือดร้อนเพราะความสงบนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายเวลาไม่มีร่างกายเรายังมีความสงบได้เพราะใจไม่ได้เป็นร่างกายและความสงบไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความสงบอยู่ที่ใจที่เกิดจากการปฏิบัติ ธรรมของเราเกิดจากการถือศีลแปดเกิดจากการเจริญสติควบคุมความคิดหยุดความคิดเกิดจากการมีปัญญาสอนใจไม่ให้ไปอยากกับสิ่งต่างๆที่เป็นทุกข์ที่ไม่ใช่ของเราที่ไม่เที่ยงถ้าเรามีธรรมเหล่านี้แล้วใจของเราจะมีความสงบใจของเราจะมีความสุข จะไม่ทุกข์กับการดับของลาบยศสรรเสริญจะไม่ทุกข์กับการดับของรูปเสียงกลิ่นรสจะไม่ทุกข์กับการดับ vale ของร่างกายไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของคนอื่นเพราะเราไม่ต้องพึ่งร่างกายของเราหรือของคนอื่นมาให้ความสุขกับเราคนอื่นตายไปเราก็จะไม่ทุกข์ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเป็นพ่อเราแม่เราเป็นพี่เป็นน้อง เป็นสามีเป็นภรรยาหรือเป็นบุคคลสำคัญต่างๆที่เราราักเราเคารพเวลาเขาตายไปเราจะไม่ทุกเราจะไม่เศร cort, สส้าโศกเสียใจเพราะเรามีปัญญาเราเห็นความจริงว่าคนทุกคนที่เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปด้วยก az, ันทุกคนไม่มีใครอยู่เหนือความจริงอันนี้ ทุกคนต้องตายทุกคนต้องแก่ทุกคนต้องเจ็บเนีเราจึงไม่ไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเขาตายเราก็เฉยเฉยเพราะเรารู้ว่าถ้าไปอยากให้เขาไม่ตายเราก็จะเศร้าโศกเสียใจไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะความเศร้าโศกเสียใจก็ไม่ได้ทําให้เขากลับมาเขาไปแล้วไปแบบไม่กลับเพราะฉะนั้นเรา อย่าไปเศร้าโศกเสียใจเราควรที่จะดำเนินชีวิตของเราต่อไปถ้าเรายังไม่สามารถที่จะควบคุมความเศร้าโศกเสียใจของเราได้เราก็ต้องมาปฏิบัติธรรมกันเราต้องมาคอยสอนใจกันมาฟังเทศฟังธรรมกันเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมฟังหนเดียวลืมได้ เดี๋ยวพอออกจากศาลานี้ไปพอไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะลืมสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเราต้องเอาไปคิดต่อเอาไปพิจารณาอยู่เรื่อยๆพิจารณาว่าของต่างๆในโลกนี้เป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจทุกขังอนัตตาที่เราไม่ควรไปยึดไปติดที่เราไม่ควรไปอยากให้เขาเที่ยมไปอยากให้เขาเป็นของเราไปตลอด ถ้าเรามันคิดอยู่นี่เรื่อยๆ เ, เ, เราก็จะไม่ลืมแล้วถ้าเราไม่สามารถที่จะปล่อยวางเขาได้เราก็ต้องหัดไปอยู่วัดกันหัดไปปล่อยวางกันทิ้งบ้านทิ้งช่องทิ้งญาติพี่น้องทิ้งใครต่างๆไปอยู่วัดไปอยู่คนเดียวไปหัดอยู่แบบอยู่คนเดียวอยู่แบบไม่มีราบยศสรรเสริญอยู่แบบไม่มีลูกเสียงกลิ่นรส อยู่แบบทำใจให้สงบอยู่แบบนั่งสมาธิอยู่แบบรักษาสิงแปลอยู่แบบเจริญปัญญาให้ฉลาดไม่ให้ไปมีความอยากกับสิ่งต่างๆที่ไม่เที่ยงที่เป็นทุกข์ที่ไม่ใช่เป็นของเราเราต้องมาปฏิบัติกันพราถ้าเราปฏิบัติแล้วต่อไปเราจะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆเราจะไม่ทุกข์กับการสูญเสีย ของสิ่งต่างๆหรือของบุคคลต่างๆว่าเราจะทำใจให้สงบให้เฉยไม่ให้เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆได้นี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะให้ความสาคัญกันอย่าไปให้ความสาคัญกับลาบยศสรรเสริญกับความสุขทางตาหูจมูกวิญกายเพราะว่ามันจะต้องหมดไปในวันใดวันหนึ่ง ให้เรามาหาความสุขความสงบทางใจที่จะไม่มีวันหมดที่จะให้ความสุขกับเราที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างถาวร น, นี่คือสิ่งที่เราควรทำกันและควรที่จะศึกษากันเพราะไม่มีโอกาสอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ง่าย เพราะสิ่งที่จะมาสอนเรามาสั่งเราคือพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้มีอยู่ไปในโลกนี้ไปเรื่อยๆจะมีช่วงที่ไม่มีพระพุทธศาสนาแล้วช่วงนั้นจะไม่มีใครรู้จักวิธีที่จะดับความเศร้าโศกเสียใจได้จะต้องเศร้าโศกเสียใจไปจนกว่าจะได้เจอพระพุทธศาสนาซึ่งอาจจะเป็นเวลาอันยาวนานมาก เป็นเวลาหลายล้านล้านล้านปีด้วยกันถ้าพุทธศาสนาของเราในปัจจุบันนี้เสื่อมไปหมดไปเพราะพุทธศาสนาอันใหม่กว่าจะมาเกิดนี้จะต้องใช้เวลาอีกนานมากดังนั้นชาตินี้โอกาสนี้เป็นชาติที่วิเศษเป็นชาติที่ประเสริฐที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนา มาได้ยินได้ฟังวิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจกับเหตุการณ์ต่างๆถ้าเราไม่รีบฉวยโอกาสในนี้เวลาเกิดเราตายไปเราก็จะไม่มีโอกาสเราก็จะเสียโอกาสอันดีไปถ้าเรารีบฉวยโอกาสเราก็จะได้ความรู้นี้มารักษาใจเราไปตลอด ร่างกายนี้ตายไปเราก็ยังมีธรรมะของพระเจ้าติดตัวไปไปรักษาเราต่อพาให้เราไปสู่พระนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปจึงขอให้เราพยายามเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมแล้วนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปปฏิบัติกันแล้วรับรองได้ว่าความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ต่าง จะหมดไปจากใจของเราใจของเราจะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพะระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบาเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุข